ลักษณะของการปฏิบัติที่ท่านพาดำเนินมาในครั้งพุทธกาลเป็นปฏิปทาที่สวยงามมากการปฏิบัติก็เพื่อแก่นธรรมเนื้อธรรมล้วนๆอิยาการที่ท่านแสดงออกล้วนแล้วแต่ เป็นอาการของผู้แสวงธรรมผู้จะสังหารสิ่งที่เป็นค่าสึกต่อธรรมการอยู่ที่อยู่ของท่านก็คือป่าคือเขาลำนอไครอาหารปัจจัยเครื่องอาสัยอดอดหยากๆยาขาดๆาดแคลนแกลน เรื่องนุ่งห่มใช้สอยมันมากมีแต่ บ, บางสกุลเที่ยวหาจักผ้าบางสกุลที่เขาทิ้งแล้วตามป่าช้าบ้างตามถนนน้นทางบ้างมาใช้ส่วนยานั้นรู้สึกจะมีน้อยมากรวมแล้วมีแต่เรื่องขาดขาดเ ข, ขินเขิน พอดีกับเป็นเครื่องเปิดทางให้ทำได้งอกหน่วยขึ้นมาได้เพราะการปฏิบัติสะดวกเนื่องจากสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ทับถมคือการอยู่สถานที่อยู่ก็สงบสงัสงงสงดมีแต่ป่าแต่เขาโดยมากและท่านมุ่งหน้ามุ่งตา เพื่ออย่างนั้น น, ง, นงห่มใช้สอยไม่มีอะไรมีคุณค่ามีราคาพอที่จะสะดุดตาสะดุดใจแห่งโจรมารทั้งหลายให้คีดอยากได้มารบกวนหรือเบียดเบียนพระเนรให้รับความลำบากอันออกมาจากสกุลใดมี เจตนาเป็นอันเดียวกันคือเพื่อสแสวงหาธรรมกำจัดกิเลสไปในขณะเดียวกันการอยู่ก็เพื่อความเพียรคือท่าต่อสู้สิ่งที่เป็นค่าสศึกต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอยืนก็มีความเพียรเดินนั่งนอนเต็มไปได้วยความภาคเพียรเพื่อกำจัด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 อันที่เป็นเปลือกเป็นกะพีกลายไปเป็นเนื้อเป็นหลังเป็นจุดชนใจของผู้ปฏิบัติหรือผู้นับถือศาสนาปฏิบัติศาสนาไปเสียโดยเห็นนี้จริงเป็นเรื่องรู้รัาเพียงทางตาทางหูทางจมูกทางลิง้นทางกายแต่ไม่รู้รักใน่งธรรมภายในใจ ก็ไม่ผิดอะไรกับโลกที่เขาอยู่กันเพราะทำเกิดขึ้นไม่ได้ภายในใจิตใจเนื่องจากกิเลสทลุงอยู่ทั้งวันทั้งคืนบนหัวใจของพระของเนนเราแต่ละดวงละดวงนั้นเนื่องจากไม่มีโอกาสที่จะสะเสีงหาหรือไม่สนใจที่จะกำจัดสิ่งเหล่า น, นั้นออก พอให้ทำรรได้งอกเงยขึ้นบ้างแม้เล็กน้อยเช่นสมรรถธรรมก็ยังดีในครั้งพุตธกา ร, รท่านถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมเท่านั้นไม่ได้พึ่งเป็นพึ่งตายกับอาหารปัจจัยสีเหล่านี้แม้จะอาศัยมันอยู่เรื่อยมาก็ตามตามสภาพของถัดขันที่จําต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ แต่จิตใจของท่านมุ่งมั่นต่ออัตตอธรรมต่อการประพฤติปฏิบัติกรรมจัดสิ่งที่เป็นภัยอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาดัางนั้นผลจึงปรากฏขึ้นว่าท่านองค์นั้นสําเร็จพระสกีทาสําเร็จพระโสดาท่านองค์นั้นสําเร็จพระสกีทาขาซึ่งเป็นเรื่องของธรรมล้วนๆท่านองค์นั้นสําเร็จพระอนาคาท่านองค์นั้นสําเร็จพระระหัส แต่ผล <c oughs> อยู่ในป่านั้นในเขาลูกนั้นในถ้ำนั้นในเนื้อผานั้นในป่าช้าป่าชัดนั่นนั้ น, น, นด้วยอิริยาบถยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างด้วยควาเพราะความภาคเพียนของท่านตามแต่สะดวกในอิริยาบถตื่นใดหรือพอเหมาะที่จะได้บรรลุด้วยความเพียรในท่าใดอิริยาบถใด ท่านตักตัวมรรคผลนิพพานเข้าสู่ใจเป็นลาดับลาดาจนกลายเป็นสังฆทานังคาฉานิของพวกเราเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้นี่เป็นทางํำเนินของท่านที่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆในครั้งพุทธกาลนี่คือเนื้อจริงๆของาศาสนธรรมแก่นจริงของาศาสนธรรม ต้องเป็นแก่นไปจากปฏิปทาเครื่องลำเนินปฏิปทาเป็นแก่นเป็นสาระสำคัญด้วยเจตนาของผู้บำเพ็ญแล้วผลจะต้องเป็นแก่นออกมาโดยลำดับลาดาเช่นแก่นพระโสดาสกิธาอนาคาอาราหัตรหรันจนมีมุดหลุดพ้นล้วนแล้วแต่แก่นเป็นท่านๆเข้าไป นี่กำลังเหลืองเจิ้งเต็มที่แล้วเวลานี้สำหรับพวกเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติศาสนา <S <S เห็นสิ่งที่โลก <c oughs> เห็นสิ่งที่โลกได้ยินสิ่งที่โลกชมเชยว่าเป็นของดีมีค่าไปตามกระแสของโลกแล้วทาจะมีคุณค่าได้ที่ไหนถ้าไม่ตั้งปัญหาถามตัวเองเช่นนี้เราจะไม่มีทางออก จะจมอยู่กับสิ่งที่โลกทั้งหลายจมตลอดไปจมโลกจมกับอะไรรูปคือวัตถุต่างๆเต็ตเมแผ่นดินนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้จิตจมลงได้กับสิ่งเหล่านี้เสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสแต่และอย่างละอย่างยิ่ยงปรุงยิ่ยงแต่งยิ่ยงผลิตขึ้นมามากมายไกยกว่า แม้สิ่งที่สุดยิ่สใหของมนุษย์เรามาดั้งเดิมซึ่งไม่ขาดไม่ฝันว่าจะมีจะปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นแล้วเวลานี้ดาดืน่นและเป็นเครื่องสังหารคนได้เป็นอย่างดียิ่งนักบวช ด, ด้วยแล้วและสมัครใจด้วยแล้วก็ยิ่งปลาใหญ่เห็นไหมวิทยุโทรทัศน์ทีวีเทเวอรอ ไปยังไงเราไม่คาดไม่ฝันว่าสิ่งเหล่านี้จะมี v ี o DA เหล่านี้ว่วนแน่ตั้งแต่เป็นแก่นอันสำคัญสำคัญที่จะเป็นเครื่องสังหารจิตใจของนัก บ, บวชเราได้เป็นอย่างดีหาที่ขัดที่แย้ไม่ได้ถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปขัดไปแย้งไปปราบปรามมันนี่แหละคำว่าจงจมอยู่กับสิ่งทั้งหลายที่โลกเขาจม พระเราก็จมอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะยินดีกับสิ่งเหล่านี้จะไม่จมได้ยังไงเรื่องของธรรมต้องทวนกระแสฝืนสิ่งที่ใจของเราชอบซึ่งเป็น เ, ออเหมือนกับโลกทั้งหลายตาก็ฝืนสิ่งที่เป็นข่าสึกไม่ดูอยากดูเท่าไหร่ก็ตามเพราะความอยากนั้นมันเป็นไภ่ ที่จะทำให้ดูให้เห็นเพิ่มไยเข้าไปอีกอยากได้ยินก็เป็นไผ่ที่จะเพิ่มสิ่งที่เห็นได้ยินนั้นเป็นไั่เพิ่มขึ้นไปโดยลำบากลำดาคชดในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไัยความอยากคิดเป็นต้นเหตุแห่งไัยความพอใจในการคิดกับสิ่งที่จะติดจมทั้งหลายเหล่านี้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 แล้วจะเห็นมรรคผลนิพพานที่ไหนศาสนาก็มีแต่เพียงตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์ว่าธรรมเช่นสมถะสมถะธรรมวิปััสนาธรรมบิมุติธรรมก็มีแต่ชื่อในตัวหนังสือไม่มลีลวดลายปรากฏในผู้ปฏิบัติธรรมในพระในเนรของเราเลย แล้วจะหาผลเป็นธรรมเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงลวดลายก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินมันไม่มีในจิตใจแล้วมาผลนิพพานจะ <c oughs> แวกเนวมาเกิดด้วยหายหผลไม่ได้ได้ยังไงสุดท้ายศาสนาก็มีแต่วัตถุ มัดวาอาวาสเป็นศาสนาโบสวิหารสวยงามหรูหราเป็นศาสนาฐานที่อยู่อาหารปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนกับโลกเขาทั่วไปเป็นศาสนาไปทั้งหมดคำว่าเดินจมกรมนั่งสมาธิภาวนาการรักษาทวานของตนซึ่งเป็นตัวภยัยได้แก่ตาหูจมูกทิ้งกายใจมี ไม่มีความสนใจที่จะรักษาแล้วภัยจะระงับปรับลงได้และทำจากงอกเงยขึ้นได้อย่างไรเนี่ยนะที่ว่าศาสนามีแต่ชื่อออกจากมีแต่ชื่อก็มีแต่วัตถุเต็มไปหมดทมแท้ที่พระพุทธเจ้านำมาประกาศสอนโลกจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่มีทางปรากฏในจิตใจของผู้ไม่สนใจฝ่ต่อการปฏิบัตินั้นได้เลย เราจะสมัครในทางไหนเราเป็นนักปฏิบัติถ้าสมัครในธรรมทั้งหลายที่ว่าบริสุทธิ์ล้วนๆอันเป็นธรรมแท้ภายในพระพุธทธเจ้านั้นเราก็ดำเนินตามปฏิปทาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรเต็มสติกําลังความสามารถของเราธรรมเหล่านั้นก็จะค่อยงอกค่อยเงยค่อยแตกขแขนงขึ้นมาปรากฏให ได้รู้ได้เห็นภายใาจิตใจไม่มีศัพ์แต่ว่าชื่อของธรรมเช่นสมะถะธรรมเป็นต้นความสงบภายในจิตใจก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาเพราะสมาธิภาวนาเดินจงกลมด้วยการชำระจิตใจการระ ง, งับดับสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายและเปิดทางให้ธรรมมีสมะถะธรรมสมะถะธรรมเป็นต้นได้เกิดขึ้นสมะถะธรรมที่เป็นธรรมแท้ก็จะปรากฏขึ้นภายจิตใจ นี่ศาสนาเป็นอย่างนี้เจะรู้อ๋อนี่เริ่มได้เห็นศาสนาแล้วท่านว่าสมถะ ธ, ธรรมเป่นสมาธิซึ่งได้เคยได้ยินแต่ชื่อไม่เห็นองค์ของสมาธิที่แท้จริงเลยแต่ได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในจิตใจของเราใจของเราเคยพุ่งสร้างนาคารมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยคาดเคยฝันว่าจะได้รู้ได้เห็นความสงบเช่นนี้ก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วด้วยวิถีปฏิบัติต่ตางๆของเรานั่น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 ที่เร็วร้ายทั้งหลายอันจะเป็นภัยต่อจิตใจและบังคับจิตให้เข้าสู่ธรรมอันเป็นแดนแห่งความสงบเช่นกําหนดภาวนาบทใจก็ตามให้มีความรู้ความเห็นความเข้าใจจดจ่ออยู่กับบทแห่งการภาวนาของตอนนั้นทำแท้คือเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมสมถะธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาจิตที่เคยหมุนตัว เป็นกังหันก็จะกลายเป็นจิตที่นิ่งจิตที่สงบจิตที่สะอาดผ่องใสขึ้นมาให้ได้เห็นนี่คือผลแห่งธรรมหรือว่าธรรมแท้ <c oughs> ได้เริ่มปรากฏแล้วแม้จะยังไม่ถึงวิมุตต์หลุดพ้นก็าตามนี่ก็คือธรรมแท้ได้แก่สมาธิฏฐิธรรมซึ่งปรากฏแล้วภายในจิตใจของเรา นั้นบำรุงจงเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอสมาธิธรรมนี้จะมีกำลังกล้าจะทำความสงบร่มเย็นให้ให้ปรากฏแก่ตัวของเราใจของเรายิ่งขึ้นจนแนบแน่นละเอียดสุขขุมภายในใจมีแต่ความสงบความร่มเย็นความผ่องใส แล้วเป็นโอชารสอันสำคัญที่จะให้จิตได้ดื่มให้ได้อยู่พึ่งพิงกับสมถะธรรมนั้นแล้วปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเคยหิวโหวยคือเคยถูกกิเลสมันผลักดันออกไปให้อยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมผันสิ่งนั้นสิงนี้เบาลงไปเบาลงไปจริงวันนั้นจางลงไปเพราะทมโอชารสแห่งธรรมได้แก่สมถะธรรมเป็นที่ ดูดดื่มของ จ, จิตใจเป็นที่พึ่งปิงของใจแล้วนะใจที่เคยว่าวุ่นขุนงัวก็สงบตัวลงมาเพราะถูกกับยาคือธรรมโอสถนี่ก็คือทรรมแท้ครั้งพุทธการท่านเห็นทำแท้ท่านรู้ทรรมแท้ด้วยการปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้นี่คือาศาสนธรรมคือทมแท้ นพูดถึงเรื่องปัญญาคือความพินิดพิจารณาความไตรตรองตามสภาวธรรมทั้งหลายให้ถูกต้องตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอนไว้แยกแยะอย่างไรจรึงเป็นปัญญาปัญญาคือความเฉลียวฉลาด ท่านให้ถือจุดไหนเป็นสถานที่ทำงานงานนั้นคืออะไรสถานที่เมื่อรวมตัวแล้วก็ได้แก่สกลากายของเราทุกส่วนรวมอยู่ในนี้เรียกว่าสติปฐานสี่หนึ่งอริยสัจสี่หน่รวมอยู่ในเบญจขันธ์พร้อมทั้งจิตใจของเหล่านี้และในเบญจขันธ์แต่ละอย่างแต่ละ สัตวแต่ละบุคคลพร้อมทั้งจิตใจของเขานั่นก็เป็นสัจธรรมแต่ละอย่างเลอย่างเราจะพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงของสัจธรรมที่ประกาศสอนมว้อย่างไรหรือตามความจริงแห่งสติปัฏฐานสี่ที่ท่านสอนไว้อย่างไรนั่นเรียกว่าปัญญาคือพิจารณาคลี่คลายดูสกลากายของเรา มีผมขนเล็บปันหนังเป็นต้นนี่คืองานของพระงานของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นเวลาบวชทีแรกอุปชาท่านก็มอบงานให้ทุกๆองค์ไม่เคยมีองค์ใดนับแต่สามเณ น, นขึ้นมาที่ว่าไม่ได้งานห้าชิ้นนี้มาปฏิบัติมาดำเนินหรือมาทำ ได้ทุกรายไปเช่นเจสารุมานขาทันตาตะโจผมขนเล็บมัเล็บฟันหนังนี่คืองานจับเอาผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาพินิจพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามสภาพคล่องหมันอย่าให้กิเลสมันขัดมันแย้งมันถุดมันลากไปหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสวยของงามเป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจ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 ผมเราก็มีผมเขาก็มีเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารักใค้ยินดีที่ตรงไหนผมเป็นเส้นๆ้นนั้นและที่เกิดของมันเกิดในสถานที่สะอาดหรือสถานที่โสโคตกสโสโคกรหรือสถานที่วิเศที่โสมาจากโลกใดแดนใดมันก็เกิดบนหัวบนศีรษะบนเนื้อบนกายของเรานี่ซึ่งเป็นของพื้นฐานแห่งความปัจจุบอยู่แล้วแล้วมันจะเอาความสวยงามความ วิเศษวิโสมาจากไหนอันผมอันขนเล็บฟันเหล่านี้ <c oughs> เพราะมันอยู่กับสิ่งที่สุกกรปุกโสมมเต็มตัวอยู่แล้วหนังก็เหมือนกันหุ้มห่อของสุกกรปุกเอาไว้แล้วมันจะสวยงามที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนน่าคำหนักยินดีที่ตรงไหนมันวิเศษวิโสที่ตรงไหนนี่เรียกว่าปัญญาคลี่คลายดูจะเป็นอวัยวะส่วนใดก็ตามขอให้ท่านหนัดภายในจิตเถิด กำหนดพินิ่พิจารณาให้มันซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปสู่หลักความจริงแม่ขี้ดเดือดมาแย้งมาขัดเข้าไปสู่ความจำปลอมข้องมันว่าสวยว่างามว่าขีดังถาวรก็แล้วกันให้จับหลักนี้เอาไว้พานาจิตใจนี่ท่านเรียกว่าปัญญาเวลาพิจารณาก็ให้พิจารณาจริงๆดังที่กล่าวนี้ จะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังหรือเนื้อเอ็นกระดูกตลอดอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนซึ่งมีสภาพเหมือนเหมือนกันหมดเอาพี่พน้าให้มันเห็นชัดเจนตามความจริงนี้ท่านเรียกว่าปัญญาคือสอดส่องมองลงไปตามหลักความจริงเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่ด้วยปัญญา ใีความยึดมั่นถือมั่นความตํางการผิดว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามก็จะพังทลายลงไปความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีนี่แหละเมื่อถึงความจริงพิจารณาให้ะเห็นตามหลักความจริงจนเต็มสัดเต็มส่วนแนะอุปทานจะนาแน่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกก็ต า, ามเธอจะไม่มีอะไรเหนือปัญญานี้ไปได้จะถูกปัญญานี้พังทลายไปหมดนี่ท่านเรียกว่าปัญญา ยังเห็นสิ่งเหล่านี้ประจักษ์ด้วยปัญญาของเราเท่านั้นเราก็ได้ทราบชัดแล้วว่าสาธนธรรมแท้คืออะไรคือปัญญา<ม>เนี่ยเครื่องนำเหนินมีฝ่ายเหตุฝ่ายผลก็คือความผาสุก ด, ด้ครับฝ่ายเหตุก็คือความรู้แจ้อยอยงแทงทะลุ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 องของปัญญาแท้จะเกิดขึ้นจากผู้ผิดขึ้นมาในตัวเองนี้เรานพิจารณาที่คลายดูเห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิกูลโสโครกส่วนไหนก็เหมือนๆกันหมดเท่าเทียมกันไม่มีจุดใดเป็นจุดที่บกพร่องแห่งความโสกรปรกมั่นโสกรปรกด้วยกันสมมโดยกันช้าล้างตลอดเวลาเหมือนกันหมด ถ้ายาพูดถึงอนิจจังมีสภาพไดบ้างในร่างกายนี้ที่ได้นอกเหนือไปจากกดแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เท่ากันอีกนี่ยจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหนเมื่อมีแต่อนิจจังผันอยู่ตลอดเวลาหมุนอยู่ตลอดเวลาทุกขังบีบคั้นตลอดเวลาอนัตตาถือเป็นสาระแก่นสารที่ไหนได้ในสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตได้ยังลงสู่ความเป็นจริงแล้วมันก็รู้ เท่าทันสิ่งเหล่านี้้็ถอนตัวออกมาความกังวลวุ่นวายความหนักความหน่วงเพราะอุปทานความวมั่นถือมั่นอันเป็นผลขอ ง, ค ว, งความหลงนั้นก็ถอนตัวออกมาได้ด้วยปัญญานี่นี่แหละทำแท้พิจารณาอย่างนี้เมื่อปัญญาทำมีแล้วทําำอิมุติธรรมจเหนือความสามารถไปได้อย่างไรเพราะปัญญาธรรมนี่เพื่อวิมุติธรรมโดยตรงอยู่แล้วแทงทะลุเข้าไปแทงทะลุเข้าไปจนกระทั่งถึงความหมดตด ลอยวางได้หมดโดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่รูปคือร่างกายของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแทงทะลุเข้าไปหมดจนกระทั่งรูปดังของวิชาที่มันฝังจมอยู่ภายใจิตใจถูกพังลงล้วงมหาสติมันมหาปัญญาที่กันสมัยเลงไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่แล้วจิตเรศมันจะอยู่ได้ยังไงแล้วมั่งผลนิพพานทําไมจะไม่รู้ไม่เห็นทําไมจะไม่เป็นขึ้นจากใจกที่บริสุทธิ์ร่วนๆแล้วจากจิตเรศทั้งหลายนะ นี่แหละคือทำแท้เป็นอย่างนี้และลวนลายของผู้ปฏิบัติก็คือปฏิปทาดำเนินให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่หวัน่นไม่ไหวไม่โยกไม่คลอนมีความหนักแน่นแก่นนักรบหรือแก่นนักปฏิบัติทั้งอดทั้งอิ่มทั้งทุกข์ทั้งสุขอะไรไม่หวัน่นจะพิจารณานี้ให้รู้ให้เห็นตามหลักความจริง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 ไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่สถานที่โน้นที่นี่มาเป็นเครื่องทำลายกิเลสแต่เป็นธรรมต่างหากดังที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องทำลายขอให้พากันทาความมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นว่ า, าศาสนาธรร ม, รมแท้เป็นยังไงธรรมแท้เป็นอย่างไรแล้วก็ยกเราเป็นจกักธิพยานว่าผู้ปฏิบัติแท้คือใครถ้าไม่ใช่คือเรา ถ้าเมื่อคือเราแล้วใครจะเป็นผู้ทรงมรรคผลนิพพานที่กล่าวมาแล้วนี้ถ้าไม่ใช่เราจะเป็นใครนะผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะได้รู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายอย่าตื่นลมตื่นแรงตื่นโลกตื่นทุกขสารการตื่นนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกต่างหากไม่ใช่ธรรมธรรมท่านไม่ได้หลอกใครมีแต่กิเลสทั้งนั้นน่ะหลอกสัตว์โลกให้โลภให้จมอยู่เวลานี้เราอยากเข้าใจว่าสิ่งอื่นใดที่จะมาหลอก ให้ศาสตร์โลกได้ล่มจมอยู่ในวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนกันอยู่ไม่มีจบมีสิ้นนี้เลยมีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นร้อยทั 100, ้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นตัวข้าสิทต่อจิตใจและบังคับกิตใจให้หมุนติ้วติ้วอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ตลอดมาไม่ใช่เรื่องอะไรนี่จะเรื่องของกิเลสทั้งหมดเรื่องของธรรมมีเป็นเครื่องปลดเครื่องปล่อยเป็นเครื่องสลดัดปัดทิ้งสิ่ง ที่เป็นภัยทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจโดยลําดับลําดา จ, จนกระทั่งสลัดปัดทิ้งเสียหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้ววิมุติธรรมเขาปรากฏ ข, ขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปพูดถึงการนั่นสมัยนี้พูดถ้ามันเสียวเวล้วไม่ได้ย่างไงพูดลงตรงนั้นจ่อลงตรงที่กิเลสมีอยู่นั้นมันจะได้เจอกันข่าสุกอยู่ตรงไห น, นให้ก้าวเข้าไปสู่จุดนั้นจะเจอข่าสุก ข, ข่าสุกคืออะไรทําไม่ใช่สิ่งทาลายเราได้จากกิเลสนี้ พิจนาลงตรงนี้นักปฏิบัติศาสนาจะเหลือตั้งแต่ชื่อแต่นามแล้วนะผมไม่ได้หาเรื่องหาราวเรียนคัมภีร์เดียวกันใครๆก็เรียนคำภีร์เดียวกันเห็นอยู่ด้วยกันด้วยตาก็เห็นหูก็ได้ยินอะไรเป็นของสําคัญในวงศาสนาเวลานี้มันมีแต่แต่ว่าตูวเครื่องก่อสร้างเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมด เลยกลายมาเป็นเนื้อเป็นหนังจะทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้เพียงเป็นเครื่อง เ, เพียงอาศัยเท่านั้นแล้วมันมากลายเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาจะทําลายสารธรรมบนหัวใจหรือทั้งหลงใจนี้ให้แหลกตหมดด้วยความเพิ่มเฟ้อเหงื่อตื่นสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฟว้ตื่นให้กระตือรือร้นในอัดให้ถ่อมเลย ล้วนลาแสดงออกให้เป็นลวนลายของผู้จะฆ่ากิเลสหรือผู้ค่ากิเลสดูที่ไหนให้มีสติระมัดระวังตนอย่าเสียดายความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินนั่นใดฟังนี้อยากสัมผัสสัมพันธ์นี้เป็นสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วด้วยเล่กลมายาของกิเลสพร้อมทั้งพิษของมันผลของมันเราได้สัมผัสสัมพัสมามากแล้วไม่ควรจะมาสงสัยกับสิ่งเหล่านี้ทำนั้นเรายังไม่เคยสัมผัสสัมผัสเอาให้ได้สัมผัสสัมพัสสิ ท่นต่างกันอย่างไรบ้างเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมเรายังไม่เคยสัมผัสสัมผัสเอาให้สัมผัสสัมผัสถ้าพูดถึงเรื่องความภาความเพียรกิเลสพาเพียรจนถลอกปอกเปิกจนไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวมันได้ผลประโยชน์อะไรมัอนกิเลสพาเพียรนั้นให้ทําพาเพียรสิเพียรข่ากิเลสนั่นแหละศรัทธาเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วให้หมุนติ้วเข้ามาสู่ความเชื่อธรรมตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอาจะเป็นยังไงวิริยะ พยายามกับพยายามเพียนกับเพียนมาแล้วศรัทธาก็เชื่อมาแล้วสติเคยจดจ่อต่อเนื่องไปกับสิ่งที่พาให้หลงให้จมเท่าไหร่ก็เคยมาแล้วเอาตั้งลงไปเราที่จุดใจนตรงที่กิเลสมันสร้งสมอยู่นี่ปัญญาเอาค้นคว้าลงไปพินิจพิจารณาไปปัญญาเหล่านี้เลยเคยใช้ามาแล้วกับโรคกับลวงสารมันเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เครื่องมือของธรรมถ้าย้อนกลับเข้ามา สู่สติปัฏฐานสี่และอริยสัจสี่โดยความเป็นธรรมและปัญญานี้จะเป็นธรรมขึ้นมาโดยลำดับบันดาลและเป็นธรรมล้นล้วนปัญญาอันนี้แหละเป็นปัญญาที่จะแก้กิเลสปัญญาดังที่โลกทั้งหลายเขาใช้กันนั้นไม่ใช่ปัญญาแก้กิเลสเป็นปัญญาเป็นเครื่องมือของกิเลสเสริมกิเลสให้เต็มหัวใจขึ้นเท่านั้นแต่ปัญญาที่ฆ่ากิเลสจริงๆต้องปัญญาที่ขลิที่ค้นขึ้นมาหนึ่งด้วยการได้ยินได้ฟังเป็นอุบายสุตตามัญปัญญา นหนึ่งยินตามายะปัญญาการพินิจพิจารณาในอัตในธรรมทั้งหลายหนึ่งหนึ่งภาวนามายะปัญญานี้กว้างขวางลึกซึ้งมากละเอียดแหลมคมมากนี่แหละรวมลงไปทวนในภาวนามายปัญญาสุตะก็ดียินตามายะก็ดีรวมลงในภาวนามายปัญญาทั้งนั้นผลสุดท้ายจะเกิดขึ้นเองขุดขึ้นมาเองพินิจพิจารณา ตัวของตัวได้เองเป็นอัตโนมัติเราไม่เคยคิดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นจะรู้จะเห็นขึ้นมาตามเวระของปัญญาที่มีกําลังเกียงไกลแล้วนี่เป็นปัพนามย์ปัญญาโดยแท้นี่แหละเป็นเครื่องสังหารกิญญรเลส ป, ป, ปัญญาประเภทนี้แหละกิเลสทิพายไปไปเพราะปัญญาประเภทนี้ไม่ได้ทิพหายไปเพราะปัญญาประเภททั้งหลายที่นังที่โลกเขาใช้กันเพราะฉะนั้นคำว่าโลกกับธรรมจริงต่างกันให้พากันเข้าใจได้ปัญญานี่มาช้านี่ ไปยังไงกิเลสมันจะแหลมคมขนาดไหนปัญญานี่ยิ่งแหลมคมกว่านั้นอีกเอาให้พังทลายไปได้หมดมันจะหลบจะซ่อนอยู่ที่ไหนไม่พ้นปัญญานี้ไปได้เลยถ้าลงปัญญานี่ได้เกิดขึ้นด้วยหลักของภ า, าวนามยปัญญาแล้วจะเด่นอยู่ในหัวใจหมุนตัวติวต้วติว้วติ้วไม่มีกลางวันกลางคืนเดินเดินด น, ด น, นั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นมีแต่การต่อสู้กับกิเลสเอากิเลสมอบตรงไหนขุดค้นลงไปก็เรียกว่าเป็นงานของปัญญา เมื่อเจอกิเลสแล้วกันเรียกว่าทํางานปัญญาทํางานว่าตันหันแหลกกันไปทํางานมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามนี่แหละบอกเกิดนพวกแหมรรคผลนิพพานอยู่ที่จุดที่นี่ที่จุดปัญญาทํางานอยู่อะไรนี้จะรู้ได้เห็นได้อย่างชัดเจนวัตถุมั น, มนสําคัญมากนะอืมมันทับทำเหยียบย่ำทำําลายทำ มันเข้ามาทุกด้านทุกทางนั่นแหละทำเบอ่์ต้าไม่ออกโลกเขานี่ยเยมยังไงพระเราก็เป็นบ้าแบบเขาเลยมันไม่คำหนึ่งว่าผิดถูกเพื่อดีประการใดเขามีอะไรก็อยากมีแม้ในสุดเขามีรถยนต์ก็อยากมีนั่นเห็นไหมเห็นหนาไหมถ้าแ้ามีอะไร บริขารแปดเป็นหลักสมบัติของพระนั่นบริขารแปดคืออะไรก็ลายีบอลนีมาพุทธเอลกล่องเข็มมีดโกนเครื่องกรองน้ำนั่นสถานที่อยู่ของพระคืออะไรลุคโมลเซนาสนลังนิสาจยปะกชาตาะเจยาวจีองซังฮกรรนโยนี่เป็นเอกที่อยู่ของพระ นี่คือที่อยู่อันเอกนี่แหละรู้หลาที่สุดสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่อันนี้รู้หลาโดยความเป็นรู้หลาในโดยความเป็นธรรมรู้หลาโดยธรรมไม่ใช่รู้หลาแบบกิเลสกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับก็ตามเถอะนั่นไม่ได้รู้หลานะบกข้องเมื่อเที่ยวกับทางด้านธรรมาแล้วอยู่ดีกินดีเท่าไรยิ่งเป็นความบกพร่องทางศาสนามากเข้าโดยลําดับนะ เอาอยู่ไม่ดีจินไม่ดีขาดขเขินๆบบพองๆแต่ความภาคความเพียรไม่หยุดไม่ถอยเพื่อการฆ่าการชำะกิเลสนี่ความสมบูรณ์ผนผลของพระนะมันโกงกันข้ามนะในป่าในเขาล่มไม้ชายคาที่ไหนเรือนว่างสถานที่บำเพ็ญเพื่อฆ่ากิเลสนั่น เป็นสถานที่เหมาะสมเหมาะสมอาหารปัจจัยกระถาเฉินเฉิ น, นบาเบาค่องๆนั่นคือความสมบูรณ์ทางด้านธรรมะธรรมะต้องเกิดในสถานที่ขาดแคลนไม่ได้เกิดในสถานที่สมบูรณ์ภูิผลหรือรูร้าหล่ลลาอะไรนั่นมันเรื่องของกิเลสเกิดเป็นเรื่องเพราะกิเลสมันเพอกปูนขึ้นในหัวใจแล้วก้าวขาไม่ออกจะก้าวจะความเพียรขาก็จะหักจะนั่งสมาธิเอวก็จะหักถ้าลงนอนแล้วเหมือนคนตายพระตาย จะไม่ให้รู้ก็ได้ถ้าไม่หิวนั่นถ้ากิเลสลงได้กล่อมแล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่ทําได้กล่อมหัวกิเลสมันหลับสนิทสวดกุศลธรรมมากิเลสบ้างเป็นไรกุศลธรรมมากุศลธรรมมาฆ่ากิเลสด้วยความฉลาดนี่มีแต่กิเลสกุศลธรรมมาคือมันถ้าเราด้วยความฉลาดเข้ามาอกุศลธรรมความโง่ของเราไมนมีแต่อย่างนั้น ประมาณช้าที่ท่านสวดกุศลธรรมมาเราเรียนมาทําไมกุศลธรรมมาแปลว่าอะไรแปลว่าทํายังบุคคลให้ฉลาดท่านอกุศลธรรมมาคือทําโง่ทําคนให้โง่เนี่ยอะไรที่ฉลาดก็มาสอนเอามาสอนเจ้าของฝึกเจ้ของเลยเมื่อทําฉลาดนําทําฉลาดเข้ามาแต่พูดปฏิบัติแล้วกิเลสมันจะฉลาดขนาดไหนมันก็พังได้ด้วยความฉลาดของธรรม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 มัน ไ, มได้ความรู้ความฉลาดแล้วความมาจากไหนตั้งแต่โคตรแต่พ่อแม่ของกิเลสมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานทําไมมันไม่ไม่เคยเห็นมรรคนิพพานทำไมมันจะเอามรรคนิพพานมาอวดเพราะมรรคผลนิพพานไม่มีได้วะนั่นนั่นที่ปัญญาแทรกกันเข้าไปอย่างนั้นที่ถ้าเป็นนักปฏิบัติอืมกิเลสนี่เหลือเป็นตัวมีอำนาจเหนือมรรคนิพพานแล้วกิเลสตัวไหนโคตรไหนที่เคยเห็นมรรคผลนิพพานมาแล้วแล้วเคยเห็นมรรคนิพพานสิ้นไปแล้วที่ได้มาหลอกโกหกโลกเขาล่ะอ่ม เราเปล่งวาจาทุกวันนี้เปลงวาจาว่ากิเลสสันนิชฌามีอย่างนั้นเหรอเราเปล่งวาจาถึงพุทธทงังสันนิชามีองค์เอกฉลาดแหลมผมเนื้อกิเลสปราบกิเลสถ้าอยู่ก็คือศาสตะองค์นี้นี้องค์นั้นนั้นทำไมสันนิชามิอุบัติขึ้นมาเพราะความฉลาดของวุริเจ้าไม่ได้อุบัติขึ้นมาเพราะความเพราะกิเลสนี่นะทําไมาเราจะไปก้มหัวหมอบกราบมันเวลามันขุดขึ้นมาภในใจมันบังคับจิตใจปิดบังจิตใจว่ามรรคผลนิพพานไม่มี การนั้นมีมากกวนิพานการนี้ไม่มีทํำปัจจัยก็ทําไปเถอะทาไปเถอะมันกลอมปัจจัยแล้วนี่มันกล่อมโลกปัจจัยแล้วเราก็มีหูมีตามีใจอยู่ทําไมจึงให้มันกล่อมมันนักหนาทำลุทธเจ้าเป็นเครื่องเบิกทางเป็นเครื่องปราบมันมีอยู่ทําไมไม่เอามาเบิกทางให้มาปราบอืแล้วกิเลสมันชิดซากไปที่ไหนมันมีการมีสมัยไหมสมัยโน้นกิเลสมีสมัยนี้กิเลสหมดเข็ดหมดสมัยแล้วไม่มีในหัวใจของสารโลกมีไหม ว่ามรรคนิพพานไม่มีเท่าไรกิเลสยิ่งหนาแน่นขึ้นมาโดยลาดับต่างๆแล้วเราต้งย้อนมาดูมันบ้างสิแล้วกิเลสมื่อไรมันจะสิ้นซากเมื่อไรมันจะสิ้นการที่สมัยไปทำไมจะสิ้นตึ้งแต่เรื่องอ่านเรื่องทำกิเลสมันสิ้นไม่ได้หรือนั่นเอาให้เอาให้มันสิ้นให้เห็นสิกิเลสมันสิ้นบนหัวใจแล้วเออนี่สมัยนี้เป็นสมัยที่บริสุทธิ์เต็มที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปแล้วให้มันว่าบ้างสินี่มีแต่มันมากรอมทํา ลงผีไว้สําหรับเราทั้งๆที่าทาความเพียรอยู่กับมรรคผลนิพพานไม่มีฮมันกล่อมเรากล่อมมันมนั่งเลนั่งปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนได้ง่นะธรรมะนี่ออกจากปราดจอมแหลมขมที่สุดคือศาสนาองค์ออกนํามาใช้นำมาปฏิบัติรู้ให้เห็นนักผลนิพพานจะไปถามที่ไหนอยู่กับผู้ปฏิบัติสัจธรรมสี่คืออะไร ทุกสมุทันิโรธมกักนั่นแหะอยู่ท่ามกลางแห่งสัจธรรมทั้งสีนี้สติปัฏฐานสี่คืออะไรกายเวทนาจิตธรรมนี่เราอยู่ท่ามกลางแห่งสติปัฏฐานสนี่จะไปอยู่ที่ไหนสัจธรรมอยู่ตรงนี้โอ้มรรคนลิพานอยู่ตรงนี้ความบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับกิเลสมีแต่ฟืนแต่ไฟอยู่กับกิเลสมันเผาเอาเผาเอามัน ค่อยเลื่อนค่อยลอยไปนะนะักปฏิบัติเราหรือเป็นศาสนาพิธีไปหมดไปที่ไหนมีแต่ศาสนาพิธีเต็มบ้านเต็มเมืองกว่าจะเข้าถึงตัวจริงนั้นแทบเป็นแทบตายเดินปฏิแท่งหักขาหักโดนตั้งแต่พิธีอะไรอรก็พิธีอะไรอะไรก็พิธีหาตัวจริงไม่เจอลกนมแรงๆเอาสี่เขาเอาตัวจริงอย่างที่กล่าววันี้นี่แหละคือตัวจริง หมุนมันติ้วติ้อยู่นี่ความเพียนเราบวชมาเพื่อศาสนาเพื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราบ้า ไ, ได้บวชมาเพื่ออะไรทั้งนั้นในสามแนโลกฐานเราบวชมาเพื่อพระธรรมทั้งสามนี้นี่แหละเป็นศาสดาองค์เอ ก, เอกสาวกองค์เอกที่จะนำเราให้หลุดพ้นไปได้ด้วยสวุภารรมของท่านหรือวิธีปฏิบัติของท่านนำมายึดมาปฏิบัตินี่แหละผู้ที่จะพาเราพ้นทุกข์พ้นภัย ทิ้งทั้งหลายแล้วนั้นไม่ได้พาพ้นนอกจากทำมาให้จมเทนั้นถึงว่าพากันพิจารณาฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมแล้วจะรู้ขึ้นภานในจิตใจใจนี้เท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสสัมบันธ์ธรรมหรือรับรู้ธรรมทั้งหลายตั้งแต่ทำขั้นเพื่อนๆจนกระทั่งถึงมิมุติธรรมไม่มีอะไรเป็นภาชนะนอกจากใจดวงเดียวนั้นแต่เวลานี้กิเลสกำลังทะหลงใจดวงนี้จึงหาทํามไม่เจออืมแยบตรงไหนมีแต่กิเลสมีแต่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลง ดิดดิ้นเผาอยู่ตลอดเวลาทำหาความกระดิกไม่ได้ไม่มีทางออกเพราะเราไม่เปิดทางให้ต่กี้เดยดถลุทั้งวันทั้งคืนเอให้ได้ชมดิพูดไปพูดไปก็หน่อยอ่ะพอแต่ความจะเป็นนี้หรือ หมุนเติวเลยพอเริ่มเทสแล้วยิ่งไปนานเท่าไหร่ยิ่งหมุนองมันเตี้ย่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะตายอย่า น, นีสลบเลยนะพอรู้สึกต้องหยุดไม่หยุดไม่ได้มีพระใหม่มีมากน้นนี่นะสับสนเปิงเปย์เาเลยไม่ได้เรื่องนะมันจะฆ่าเข้ากันไปเลยทำเร็วลงทุกวันทุกวันนะ ดูกันหูมีตามีดูกันดูเพื่อประพฤติปฏิบัติตาให้ศึกษาหูศึกษาใจให้คิดมาดูอย่าอย่าว่านี่เป็นวัดของท่านนี่มันเป็นวัดของเราผมขอวัดปฏิบัติเพื่อเราทั้งนั้นอยู่ไหนก็ปฏิบัติเราทํำขอวัดปฏิบัติก็เหมือนกันพอถึงเวลาแล้ว เตรียมเมื่อเตรียมตัวลงมางานใดเป็นงานสามาัคคีก็ให้รู้ว่าเป็นงานสามาัคคีขาดคนหนึ่งก็คือขาดความสามาัคคีไปคนหนึ่งนักไม่ใช่ความสามาัคคีแล้วขาดไปแล้วน่ะขาดคนไหนคนนั้นบกพร่องนั่นบกพร่องทำสามาัคคีผมไม่ค่อยมาดูนะทุกวันเนี่ยเขาก็อยู่ตามสภาของผม ก่อนมามาคอยดูบางทีผมมาถึงก่อนเพื่อนไปซ้ำํำมาคอยดูพระเนรนี่ไปยังไงองค์ไหนมันเก่งทางไหนมาเห็นท่ามรดการกันไล่นี้จะวัดเลยไม่ให้ขวางวัดของไม่เดียมาไว้ทําไมวัดสำหรับบรรจุ ข, ของดีตางหากของเลวมาไว้ทมไมมันเสียวัดเสียพระผู้ดีทั้งหลายให้หนัก อ, อกหนักใจรําคาญ มันเด็ดเดียวใช่นักปฏิบัติเด็ดเพื่ความดีเด <laughs then, diferencia> um> ็ดเท่าไรยิ่งดีเด็ดเพความชั่วเด็ดเท่าไรยิ่งเร็วนั่นถ้าเด็ดเพว่ความดีเด็ดเท่าไรยิ่งดีแก้ความชั่วแก้เด็ดเท่าไรยิ่งดีนันความชั่วมันเด็ดมาความดีต้องเด็ดไปไม่งั้นไม่ทันกันความอยากผายพ่วมันเด็ดมาแล้วเด็ดไปอั่ ดังนั้นถึงยื้ผคู่ปฏิบัติถ้าว่าสู้รบกันก็ชนะได้อย่างนั้นทั้งนั้นเส็ดมาทางนี้หมอบราบเสร็จเลยแพ้อย่างลู่รนี่ถ้าเข้าใจเยี๋ยวี้แล้วที่ท่านสอนนั้ว่ามัินาปฏิบาาัาิคือภาพปฏิบัติที่เหมาะสมเครื่องมือที่เหมาะสม กิเประเภทหยาบหยาบโลนธรรมะก็ต้องประเภทที่ผาดโผนปราบกันกิเประเภทกลางธรรมะก็ประเภทกลางพอเหมาะเอาการต่างกิเทสละเอียดลงไปธรรมะก็ละเอียดมมกลดางไปเดิน ด, ำดำ่งแบบนัเขาเียว่าชิว่าเหมาะสม เพาะข้อดีก็การาหยาบดีเหมือนเขาทํางานสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องงานหยากเราจะเอาเครื่องมือละเอียดไปทําได้ไหมงานหยากก็ตั้งเครื่องมือหยาบ ก, กันงานละเอียดเครื่องมือก็ละเอียดไปตา่าง พระเข้ามาหม่เรื่อยใหม่เรือยสับสมปนเปิงเขาเลยมาได้เรื่องในราวนะขาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ที่พูดที่อยู่ก่อนนี้มันหนักใจเลยพราะมันกดกันมันทับกันเจตนาไม่เจตนาไม่สำคัญเบาแบบแบบที่แบบสูงทั้งท่อนสูงนั้นมั น, ม, นมีเจตนาแล้วก็แบบอนี้มันจะหนักไหมไอ้แบบพระเป็นสงูงทั้งท่อนนั่นก็เหมือนกันน่ะพระไม่เอาไหนนะ่ะ น่เคยพบเคยเห็นมาแล้วยาให้ได้พบได้เห็นนะทั้งคมกับพระในวงกรรมฐานีมามากก่ามากแล้วมันจะเห็นทุกแน่ทุกมุมทั้งดีทั้งชั่วก็มาเป็นบทเรียนเอามาเป็นสิน่งที่ทำความเ็ดระด สิ่งที่ควรเฉลียวลาดทั้งเฉลีวลดหนอลง่อว่าอย่าให้เห็นนะมันเฉ็ีหลาบแล้วมันเห็นแต่ของที่ดีที่มีคุณค่ามันเป็นเครื่องประดับตาหูจมูกใจอยาทำงานขอวับปฏิบัติอย่าเฮียอย่าฮาอย่าแสดงอาการคิดกขอนองหินนะบิณฑบาตก็เหมือนกันดูหัวใจของนะ่ะอย่าไปสนใจคุยโมกับภัย ปากมันมีทุกค น, นในโลกกว น, นี้อันรูเสึกวิโสอะไรกับลมปากมันรู้สึกวิโสกับธรรมทุติยบั ต, บติดูอยู่หัวใจเจ้าของนี่ต่างหากภานามีกี่รายก็ตามเดินดูหัวใจเจ้าของมันคิดเรื่องอะไรบ้างหรือจะบวชกรรพภานากบวชกรร ม, มันติดแน่คนไปนั่นเรียกว่าเป็นสมัสดิ์เป็นวัดคือมีความภาคเสี่ยงท่าที่อยู่ภายในตัวหรือระงับดับที่อยู่ภนในตัว ส่งเสริมธรรมบำรุงธรรมไปในตัวให้มาด้วยความมีสติมาด้วยความมีระเบียบมาด้วยความมีธรรมอย่ามาด้วแบบที่เด็กมาทุ่มกันให้เห็นนะนี่เกิอนอยู่ในโลกนี้แล้วไม่เป็นของอาตมาจังอย่าให้เห็นฉันแล้วก็ฉันขันลไปอย่ามาโม่มาคุยเรื่องนั่นเรื่องนี้คลึกขนองแบบโลกเขา ทำหรือพระกับโลกมันผิกกันถ้ากับฆลาวาสผิดกันทำกับโลกผิดกันอย่าให้มันเหมือนกันถ้าเหมือนกันก็จะเร็วลง เ, เหมือนกันแล้วต้องเร็วอาหารการแจกอาหารเคยพูดแล้วนะอย่าให้พูดซ้ำๆต่างๆนะ <c oughs> แจกอาหารให้ดูบาทด้วยบาทไหนบุกคร่องควรจะเพิ่มเติมผู้ผู้แจกต้องเป็นผู้ฉลาดเอง แจกประสานตั้งแต่นูน้นมาทางนี้ทางนี้ไปทางโน้นที่เรียกสม่ำเสมอความสม่ำเสมอนั่นคือความเป็นธรรมแจ ก, กให้ดูบาทให้มีปัญญาดูแจ ก, กด้วยความจดจ่อด้วยความจงใจด้วยความคิดอ่านยากแจกสัพว่าแจกสั ก, ก, ก, ส ก, ก, กท์ว่าแจกทุ่มตามทุ่มตามนะดูไม่ได้นะผมไม่เห็นผมว่า ใหญ่โตกว่าหมู่กว่เพื่อนพอที่จะมีคุณค่ามากแล้วอะไรอะไรดีๆกว่าเพื่อนผมผมไม่มีความรู้สึกงั่นนะจิตของผมผมปูนกงไม่ใช่อวดแล้วอยู่กับธรรมธรรมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเราอยู่ตรงนั้นบูนเข้าไปอยู่ตรงนั้นแหละความสม่ำเสมอนี่ความเป็นธรรมผมจึงไม่เห็นว่าปากผมพิเศษกว่าปากหมู่เพื่อนท้องผมพิเศษกว่าท้องหมู่เพื่อนนะผมเห็นเป็นเหมือนกันหมดเสมอกันหมดเพราะฉะนั้นจึงให้เสมอกันไม่อยากให้มายุ่งกับผมมากอะไรนะ <c oughs> ผมก็เห็นมาแล้วผมเคยพูดหมู่เพื่อนแล้วมันจะเทือนใจจนถึงขนาดอุทานภารกิจหัวหน้าวัดผู้ใหญ่เต็มไปหมดอาหารการกินจนจะเอื้อมไม่ถึงมันเต็มหลยแล้วลูกวัดแห้งผากจะตายท้องเขมเหลาเขมเหลาเขมเหลาไม่มีอะไรกรอกปากเห็นนิ่งจะพากัหัวหน้าไม่ให้เอาไปแจกหัวหน้าเอาไว้ยังนั้นก็แล้วใครจะมาดื้อเอาไปแจก ก็ยอมยอมให้เป็นอย่างนั้นมันก็เจอแล้วนะ น, นี่นะจน ถ, ถึงขนาดที่ว่าโอ้โหนี่ข้าว่าเราเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่นี่เราจะทําได้ลงคอไหมนะทําอย่างนี้นะโน่นนะมันจะเตือนหัวใจมันเหมือนกจะเทือนอยู่เดี๋ยวนี้ตรวนี้นะไม่ได้เหมือนว่าเป็นมานานแล้วนะเพราะทําไม่มีอดีตนะคนปัจจุบันสินี้มันก็เทือนอยู่ในหัว ใ, วใจในวงปัจจุบันนีมันจึงอย่าให้เห็นอย่างนั้นนะ่ะ มีอะไรถึงไหนถึงกันเราออกมาจากบ้านจากเรือนปราศจากที่พึ่งโดยแล้วมาพึ่งกันต้องให้เป็นพึ่งกันพึ่งเป็นพึ่งตากันได้เหมือนนวายวะเดียวกันตลอดถึงความรู้ความเห็นทิฏฐิมรณนะอย่าให้มีมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องสนียจันไลทุ่มแทงทิ่มแทงหัวใจและเป็นสิ่งร้ า, ราวรานหาความสนิทต่อกันไม่ได้นี่คือเรื่องของกิเลสมันเข้าทำลายอย่าให้มี <c oughs> การอยู่การกินการใช้การสอยเอาไปเถอะผมไม่เคยมาคิดมาคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ว่ากลัวสิน้นกลัวเปืองก็ผมยังไม่มีมีได้ให้อยู่ได้กินได้ครบได้ฉันได้ใช้ได้สอยแต่ให้เจ้าของรู้จักประมาณนั้นถูเจ้าของให้เจ้าของเป็นทําเองนั่นฟุ่มเฟือยกันก็ดูไม่ได้นั่นไม่ใช่ธรรมเราก็มาอยากเห็นจากพบความเส ม, มอภาคเป็นสิ่งสําคัญได้อะไรมากก็แจกท่าน อาศาัยกันมาพึ่งกันออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วมาพึ่งกันต้องให้พึ่งกันได้สิพระพึ่งกันไม่ได้ใครจะพึ่งกันได้ในโลกนี้พระไว้ใจกันมาได้หรือว่าจะไว้ใจที่ไหนยอดของโลกก็คือพระพระตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นมาจากแคาชั้นมานนั้นใดก็ตามว่าพระเท่านั้นพอแล้วคือผู้พึ่งกัน ผู้ลงการผู้ชนเอกการผู้ตายใจต่อกันเพราะต่างคนต่างมีธรรมเครื่องตายใจอยู่แล้วนั่นก็มีเท่านั้นคำเยอะเานั้นพอแล้วอะไรอะไมาจะควรใช้ควรสอยอะไรใครมีอล้วก็ไปใช้เท่การควบการฉันก็มัสีสิ่งที่ควรควบถันก็ดีสิ่งที่ควรจะใช้สอ ย, ยอะไรก็ดีผมจึงบอกไว้แล้วอย่าอย่าไปขอผมนาวะขอดุแหลกเลยพ่อได้บอกไว้แล้วนี่ ของแล้วนี่เป็นของทุกองค์ของเพื่อความจำเป็นทุกองใครจำเป็นอะไรมาเอาหน่งอเนื้อเขาอีกเนี่ยจองนั้นเนละ